ฌานสัมมาทิฏฐิการรู้ชัดในลักษณะอย่างนั้นยังไม่ถือว่าชัดมากแต่เริ่มชัดแล้วถ้ารู้ชัดอกุศลเป็นกุศลด้วยแล้วเราไปบอกว่าชัดอย่างนั้นโอแย่เลยอกุศลจปะปชานาติคําว่าประชานาติแปลว่ารู้ชัดรู้ทั่วนะรู้ชัดแบบรอบรู้แบบรู้ในด้านน้อง อรียสัตนะว์เน่การกำหนดดูอากุศนีน่ต้องไปรู้ชัดยังไง ร, รู้ชัดในจะต้องย้อนมาหน้าที่ห้าร้อยยีิบเอีกคำว่ารู้ชัดนี่นะอากุศลคืออะไรเล่าคูณนี่ที่สันภาษารีบุตรถามแล้วเพื่อจะตอบเองนะ่ อกุศลคือปานาติบาตคือฆ่าสัตว์นหนึ่งอกุศลคืออธินาทานคือรักของเขานหนึ่งอกุศลคือกาเมสุมิฉาจางคือบวชผิดในกรรมอกุศลคือมุสาวาทพูดเท็จอกุศลคือปีสุนาวาจาพูด่อเสียดพรุศวาจาพูดคำหยาบสัมผัสปลาปะพูดเพื่อเจลิอภิชาคือความเพ่งเล็งเพ่งเล็งในที่นั้นคือเพ่งเล็งอยากได้ของสมบัติของบุคคลอื่น พยาบาทคือความปองร้ายมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดเป็นถูกคือไปเข้าใจเห็นว่าเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันถูกใช่ไหมอาการเห็นผิดงยกตัวอย่างเช่นว่ากรรมเขามีผลนะแต่ไปเข้าใจว่ากรรมไม่มีผลทานเนี่ยมีผลนะแต่ไปเข้าใจว่าการให้ทานไม่มีผลการเส้นสวงการบูชา เขาพุทธเจ้าเป็นต้นเะนี่ยมีผลนะเด็กเข้าใจว่าไม่มีผลนี่ไหมโอป ป, ปาทิกะกำเนิดสัตว์ที่เกิดขึ้นมาโตขึ้นทันทีมีผลนะมีจริงๆนะริงนะวิไปเห็นว่าไม่มีลักษณะนี้เป็นเห็นผิดเนะียไปเห็นผิดว่ามันถูกที่เราเห็นอย่างนี้ถูกแล้วโลกนี้ะไม่มีโลกสัตว์ที่อยู่โลกอื่นมาโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีนี่เป็นความเห็นลักษณะ น, นี้หรือผู้ประพฤติดีปฏิ บ, บัติชอบตัดสู้ชอบได้โดยตนเองรู้แจ้งโลกนี้และโลกอย่างนี้นะโลกทั้งสาม ทำโลกให้แจ้งเป็นศาสดราของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะไม่มีอยู่จริง อ, อย่างนี้เห็นความเห็นผิดตรงนี้แล้วไปเข้าใจว่าถูกนี้แหละเป็นอกุศล น, นี่เป็นอกุศล น, นี่ไหมลักษณะอย่างนี้อกุศลมีอย่างนี้นีกี่อย่างมี10อย่างเขาเรียกว่าอากุศลกรรมบสิทธิทีนี้ย้อนมาดู ย้อนมาดูคําว่าคําว่ารู้ชัดอกุศลเนี่ยรู้ยังไงคือแทงตลอดในอกุศลกรรมบทสิบประการน่ยนะคือสามารถแทงตลอดนี้ทุกด้วยสามารถแทงกิจจยานเห็ไปรู้เลยว่าอากุศลทั้งบทในปานาริบาทเป็นต้นนี่เป็นทุกไหมนี้ทุกใช่ไหมคำว่านี้ทุกเนี่ยต้องไปรอบรู้หรือไปกําหนดรู้ด้วยอะไรด้วยกิจจยาน คือปัญญาในการที่สามารถที่จะไปกําหนดรอบรู้อ น, นี้ท่านฟังย่อๆ อ, อย่างนี้ท่านเข้าใจท่านฟังย่อๆนี่เข้าใจแต่พวกเราจะต้องไปขยายว่าปัญญาติบาตคืออะไรอธินาทานคือรายการเมสมิชฌาจารคืออะไรมุสาวาตปิสุนนาวาจาพรุสาวาจาสัมผัสปราปะคือจะต้องรู้แล้วก็มีชาทิฏฐิเนี่คืออะไรอย่างพวกเราจะต้องไปรู้รายละเอียดนั้นไปศึกษาเนี่ยแต่ในกลุ่มของคนที่ท่านไปฟังจะฟังเนี่ยนี้ท่านท่านชัดเลยบอกโอ้รู้อย่างนี้่ คือไปกําหนดรอบรู้ด้วยความเป็นทุกข์สัตว์และก็ไปกําหนดรอบรู้รอบรู้อะไรอกุศสารมูลเป็นอย่างไรเล่านีคุณเน่ยถามว่อาอกุศสารมูลก็คือโลภะเป็นงง อ, อกุศสารมูลเป็นมูลของอกุศณโทสะเป็นอกุศสารมูลเป็นมูลของอกุศณโมหะเป็นอกุศสารมูลเป็นมูลของอกุศณเป็นราคเงา่าเป็นสมูทัยของบาปของอกุณใช่ไหม ก็มาอยู่ในข้ อ, ของคําว่าอากุศลานจะประชานาตินะความว่ารู้ชัดรากเง่าของอกุศลที่เป็นรากเง่าเป็นปัจจัยของอกุศลธรรมทั้งหลายคือแทงตลอดว่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยประการนั้นๆนั่นเองคือรู้ชัดรากเง่าของอกุศลใช่ไหมถ้าถามบอกว่าอากุศลกรรมบทเนี่ยเป็นทุกขสัตย์ถ้าถามว่ารากเง้าและเหตุของอกุศลคืออะไรโลภะไงเป็นรากเง่าของอกุศลโทสะไงเป็นรากเง้าของอกุศล โมหะเป็นรากเง้าของอกุศลเดี๋ยต่อไปเราต้องไปศึกษานะเอ๊โลภะนี่เป็นรากเง้าของอกุศลได้กี่อย่างโทสะเป็นรากเงาของอกุศลได้กี่อย่างและโมหะนี่เป็นรากเงาของอกุศลได้กี่อย่างถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่น้อมไปเพื่อจะรู้ชัดนะถ้าเรารู้ชัดว่าอกุศลนี่เป็นทุกข์สัตว์เป็นทางที่ควรกําหนดรู้กําหนดด้วยอะไรกําหนดด้วยยาตะปริญญาต้องกําหนดรู้ตัวของเขาให้ถูกก่อนกําหนดด้วยตีรณปริญญา แล้วก็กําหนดรู้ด้วยจะต้องไปประหารเขาให้ได้ต้องล้ะเขาให้ได้ทีนี้ถ้าจะกําหนดรู้ต้องรู้เหตุของเขาไหมต้องรู้เหตุของอกุศลนะรู้รากเง้าของอกุศลไหมต้องรู้เหตุของอกุศลกำมาบทรากเงาของอกุศลแลบทถ้าอย่างนั้นเวลาจะละเขาละตรงไหนล้าที่รากเง้าล้าที่เหตุฟังสมาธิติต่อไปจะเริ่มชัดเจนใช่ไหมจะเริ่มชัดเจนว่าเออเนี่ยเราจะละเหตุของเขาละอย่างไงต่อไปจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นเป็นยังไง จะกำหนดลงอริยสัจได้อย่างไรอเดี๋ยววันนี้นะต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะเมื่อวานนี้ครั้งที่แล้วเนะี่ยได้พูดถึงในเรื่องของปุสลกรรมบทและอกุศลกรรมบททีนี้ในวันนี้จะได้พูดที่มาเนะี่ย สรุปในเรื่องของที่มาแล้วก็รูปแบบของพระสูตรในสัมมาทิฏฐิสูตรให้พวกเราทั้งหลายได้ได้ทําความเข้าใจนะสัมมาทิฏฐิเขาแปลว่าพระสูตรว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบชื่อนี้ตั้งชื่อตามเนื้อหาสาระของพระสูตรนั้นๆถามว่าที่มาของพระสูตรเนี่ยท่านพระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษทุทั้งหลายขณะพักอยู่ในเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี โดยยกคํากล่าวของคนทั้งหลายขึ้นเป็นอุทเทศอุเทศไนเนียขึ้นเป็นไนยายักของการกล่าวเพื่อสนทนาธรรมกับภิกษุทั้งหลายซึ่งมาจากที่ต่างๆถามว่าเหตุเกิดของพระสูตรนี้จัดอยู่ในประเภทไหนท่านบอกว่าอยู่ในประเภทปุตชาวสิกะคือระบบการถามถามเพื่อจะตอบเองเ่ยฉะนั้นรูปแบบของสัมมาทิฏฐิสูตรนี่เป็นการสนทนาธรรมมีการ ถามการตอบในะสองแบบคือหนึ่งเนี่ยท่านภาษาริบุตรถามเองแล้วก็ตอบเองอย่างนี้เขาเรียกว่ากเทตุกรรมยาตาปุจฉาถามเองเพื่อที่จะตอบเองยกคําถามขึ้นมาเหตุที่ต้องการจะตอบเองนั้นก็เพราะว่าเมื่อถามคําถามขึ้นมาเนี่ยนะในที่ประชุมนั้นน่ยผู้ที่ถามนั้นกลายเป็นบุคคลที่แตกฉานในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งในหมู่คณะนั้น ในหมู่สงนั้นหมู่สง์นั้นก็ต้องบอกว่าที่มาจากต่างแดนมาจากที่ไกลๆนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่ต้องการมาฟังพระคุณเจ้าหรือจากภาษาบิบุตรจากพระเถระนั่นเองภิกษุทั้งหลายถามท่านภาษารีบุตรตอบถ้าประเภทที่สองนี่นะคือภิกษุถามภาษาบิบุตรตอบให้สังเกตว่าประโยคแรกคําถามประเภทแรกนั้นนี่ยภาษาริบุตรถามเองและตอบเองทีนี้ต่อมาภิกษุสงถามเลย ท่านภาษาาริบุตรเป็นผู้ตอบอย่างนี้เป็นแบบที่2อภิกษุทั้งหลายนั้นถาม15ครั้งคําถามของภิกษุในสูตรนี้นะถาม15ครั้งแต่ใช้คําถามเดียวกันคือใช้คําถามเดียวกันนะ่ยยกตัวอย่างเช่นถามคําถามเดียวกันคือถามยังไงถามบอกว่าบอกชื่นชมพาสิท์แต่ละ แต่และเรื่องที่ภาษาริบุตรแสดงเมื่อแสดงแล้วก็ถามบอกว่าแล้วมีธรรมะอย่างอื่นที่ยิ่งยิ่งไปกว่านี้ไหมเนี่ยบอกหรือมีเหตุธรรมะที่ยิ่งยิ่งไปกว่านี้ไหมถ้ามีขอให้ท่านพระเถระช่วยตอบเลือกขยายความหรืออธิบายให้ฟังด้วยเนี่ยคําถามจะเป็นคําถามลักษณะ25ครั้งทีนี้เนื้อหาของสมาธิิสูตรเนี่ยแบ่งออกมาเป็น16วาระ16กวาระนะวาระแรกนั้นเรียกว่า กรรมปฐวาระเขาเรียกว่าวาระว่าด้วยเรื่องของอกุศลกรรมมบดและก็กุศลกรรมบดวาระที่สองอาหารวาระหรืออาหารวาระเนี่ยวาระว่าด้วยอาหารวาระที่สก็คือทุกขาวาระว่าด้วยทุกขาริยสัตว์วาระที่4ี่ก็ชรลามรณวาระวาระว่าด้วยชะลาและมรณะคือความแก่และความตายเนี่ยวาระที่5้าชาติวาระ ว่าด้วยชาติคือการเกิดวาระที่หกว่าด้วยพบกรมมพบเป็นต้นเนี่ยนะวาระที่เจ็ดอุปาทานวาระวาระว่าด้วยอุปาทานวาระที่แปดตันหาวาระวาระว่าด้วยตันหาวาระที่เก้าเวทนาวาระวาระว่าด้วยเวทนาวาระที่สิบผัสสะวาระวาระว่าด้วยผัสสะหกเนี่ยเนวาระที่สิบเอดสลายตนะวาระก็วาระว่าด้วย อายตนาภายในหกวาระวาระที่สิบสองนามรูป vision, วาระวาระไว้ด้วยนามและรูปวาระที <popping irregular. S 1> ่สิบสามวิญญาณวาระวาระววาด้วยวิญญาณปฏิสนพิวิญญาณประวติวิญญาณมีต้แล้วก็วาระที่สิบสี่สังขารวาระวาระว่าด้วยสังขารสังขารก็มีปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารเนญชพิสังขานั่นแหละวาระที่สิบห้าอวิชาวาระวาระไว้ด้วยความ ไม่รู้หรือความมืดบอดคือโมหะนั่นแหละวาระ16ว่าด้วยอาสวะวาระวาระว่าด้วยอาสวะทั้งหมดนั้นแต่ละวาะ่ามีทั้งหมด16วาระแต่ละวาระนั้นท่านแบ่งออกเป็นตอนอยังไแบ่งยังไง16วาระคูณ2 1วาระออกเป็น2ตอนก็เลยมีทั้งหมด32มสิบสองตอนตอนที่1เป็นสังเขป เขาเรียกสังเขปในในัยยะโดยสังเขปคือยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงโดยย่อมองเห็นใช่ไหมที่ว่าเคยกล่าวในเรื่องของกุศลอกุศลน่อากุศลกรรมบทและกุศลกรรมบทเนี้ยลักษณะอย่างนี้เป็นการกล่าวแบบย่นย่อไม่ได้ขยายตอนที่2เป็นวิถีฐานณยหรือนัยยะของพิสดารคือแสดงโดยละเอียด แสดงโดยละเอียดก็คือแสด ง, ย, งาาาายังไงเช่นปาณทิบาทอาทินนาทานนี่เถ้าอากุศลวาระก็คือปาณทิบาทอาทินนาทานการเมียสุมิชาจารมูสาวาตปิสุนาวาจาเนี่ยธุรสวาจาสัมผัสปลาปา่าเนี่ยพยาบาทเกีเ่ยวกัในเรื่องของอภิชาพยาบาทอย่างเงี้ยมิจฉาทิฏฐิเงี้ยแบบย่อแล้วก็พิศดารวาระที่สองเนี่ยนะไอ้วาระแบบย่นยอ่อนั้นเนะี่ยภาษาริบุตรถามเองตอบเอง วาระที่สองที่มี16บหกวาระนั้นพิสูุ์ทั้งหลายเป็นผู้ถามท่านภาษารีบุตรเป็นผู้ตอบแต่ละวาระก็มีใจความสําคัญสําคัญอยู่ยังไงเออในที่กล่าวมาเนื้อสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยด้วยเหตุอะไรบ้างเนี่ยที่ตั้งประเด็นที่แรกใช่ไหมที่อธิบายไปเมื่อวานเนี่ยที่ถามว่าเนี่ยพระเถระที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยย้ำสองครั้งใช่ไหมด้วยเหตุเท่าไรด้วยเหตุเท่าไรพาริยสาวกจึงจะชื่อว่า มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสที่นแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นคําถามไหมคําถามถ้าหากจะชี้หรือมองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเราไปดูหน้าที่ร้อยสิบแรกๆเลยสัมมาทิฏฐิท่านพระสารีบุตรถามว่าคุณที่เรียกว่าใช่ไหมพิกษูตรทั้งหลายเนี่ยบอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้ด้วยเหตุกี่ประการนะคุณอันนี้เป็นคําถามไหม เป็นคําถามด้วยเหตุกิะการพระริยาสาวกจึงจะชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้คือคําถามถ้าคําตอบแบบสังเขปก็คือตอบอยังไงก็พระริยาสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเงาแห่งอกุศลรู้ชัดกุศลและรากเง้าของกุศล ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระริยาสาวกชื่อว่าสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเรื่อมสายอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตวธรรมนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าย่นยอ่อถามแค่นี้และตอบแค่นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าย่นยอ่อแต่ถ้าประเภทวิตรฐารในในญาติโดยพิสดารเนี่ยพระสารีบุตรอธิบายความบอกว่าอากุศลได้แก่อะไรฆ่าสัตว์เป็นอกุศลรักทรัพย์เป็นอกุลกศล รากเง่าของอกุศลได้แก่โลภะโทสะโมหะอางี้อย่างนี้เขาเรียกขยายหรือกุศลกรรมบวชสิ ป, ประการเช่นเจตนางดเว้นจากการฆ่าเป็นกุศลเจตนางดเว้นจากการรักเป็นกุศลรากเง่าของกุศลได้แก่โอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงมองออกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างที่ที่ขยายสรุปก็คือว่าเมื่อพระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลรากเง้าของ อสุนู้ชัดกุศลและรากเงาของสุนอย่างนี้ท่านก็จะสามารถละราคะราคานุไสบรรทาปฏิคานุไสถอนทิฐานุไสแล้วก็มานานุใสที่ว่าเป็นเราได้โดยประการและทั้งปวงแล้วก็ละวิชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นเป็นผู้มีที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันนี้เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พาริยาสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทวธรรมนี้มีคือลักษณะในยากของการขยายเขาจะขยายไปลักษณะอย่างเงี้ยจะมีการถามถามเองตอบเองแบบย่นย่อแล้วก็ถามแล้วก็ท่านภาษาริบุตรขยายโดยพิสดารเออถ้าเราจับประเด็นใจความตรงนี้ได้ก็จะในในวาระแรกเนี่ย ดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะพอขึ้นวาระที่สองนี่เป็นอาหารวาระวาระที่พูดในเรื่องของอาหารสี่เนี่ยคำถามก็คือว่าอันนี้สรุปนะสรุปก่อนคําอธิบายอย่างอื่นที่เป็นเหตุชี้บอกว่าพระรยาสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงเนี่ยมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้มีหรือไม่คือว่ามีอีกไหมเพราะงั้นนะคำถามลักษณะเช่นนั้นพอไปถึงในภาคของอาหารเนี่ย ยังมีอีกคุณเนาะแล้วก็ได้กล่าวว่าคุณนะเพราะเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดซึ่งอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารด้วยเหตุเพียงเจ้านี้อริยาสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเรื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้อันนี้คือย่อสังเขปในถ้าตอบแบบนี้จะเป็นสังเขปใน ทีนี้ถามทวิตถารณในรือพิสดารเลยทานภาษาที่บุตรอธิบายขยายความว่าอาหารได้แก่อาหาร4ี่ชนิดเหตุเกิดอาหารก็ได้แก่ตัณหาความดับแห่งอาหารก็ได้แก่ความดับแห่งตัณหาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารก็ได้แก่อริยมรรยงแปดสรุปก็คือเมื่ออริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดอาหารความดับของอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารอย่างนี้ ท่านก็จะละราคานุสยบรรเทาปฏิคานุสยถอนทิฏฐานุนสัยแล้วก็มานานุใสที่ว่าเป็นเราได้โดยประกาศและททางปวงแล้วก็ล่าวิช า, วชา อ, อ, อวิชาได้แล้วทําวิชาคือวิชาในมรรคเนะยในอนะทรามรรคเนะให้เกิดขึ้นเป็นผู้ทําที่สุดแห่งกองทุกขในปัจจุบันนี้เอง แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระริยาสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้เยลักษณะเนี้ยจะถามอย่างเงี้ยมีแบบย่อและพิสดารย่อและพิสดารตามลําดับอย่างเงี้ยปัญญาของท่านภาษาริบุตรนีไ้ไม่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเออถ้าให้สังเกตตรงนี้ก็คือว่าคําตอบของท่านภาษาริบุตรในแต่ละวาระซึ่งมีสองตอนก็คือว่าตอนที่เป็นสังเขปในและก็ตอนที่เป็นวิธถารณัยนนั้นเนี่ย เออพระเถราชาวลังกาชื่อว่ามหาสังคิตาเนี่ยนะและคณะสิทธิ์ผู้ชำระคำพีมัชฌิมนิกายในการทมสังขยานาพระธรรมวินัยที่สำนักมหาวิหารเนี่ยได้ตีความต่างกันต่างกันก็คือว่าคณะสิทธิ์เน่เห็นว่าท่านภาษาริบุตรนี่แสดงมรรคเบื้องต้นสองประการ คือโสดาปฏิมกักและก็สกาาัดทาคามีมกักไว้ในสังเขปไหนและมักเบื้องปลาย2ประการคืออนาคามีมกักและอาหนะัตตมักเน่ยไว้ในวิถีฐาระไนนี่นะคือพระเถระชาวลังกาเนี่ยมหาสังขลักขิตาเนี่ยมหาสังขลักิตานี่ท่านบอกว่าไอ้ที่บอกย่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ต้องให้รู้ชัดใช่ไหมอันนั้นภาษาลิบุตรเน้ น, เ น, นเน้นบอกว่านี้เป็นมักเบื้องต้นนะโซดามักและโสดาผลเออ โซดามากและสกาัดาคามีมกักแต่ตอนที่ไปว่าโดยวิตถาระัยนั้นน่ยแล้วก็ให้ไปรู้ชัดเข้ามาสู่คลองแห่งพระธรรมนี้ไม่งอนแง่ไม่ครนแคนเหมือนกันอย่างนี้นะอันนั้นหมายถึงอนณาคามีมักและอลหัาธรรมมักอมักเบื้องบนแต่พระมหาสังขารขิดเขียนว่าท่านแสดงมักทั้ง4ทั้งในสังเขปและทั้งในวิตถาระไนฉะนั้นก็ตรงเนี้ยท่านท่านยังมาตีประเด็นทําความเข้าใจ แล้วก็ทําความเห็นให้เกิดขึ้นเลยนะเอ๊ะที่แสดงยอดเนะ่ยหมายถึงมรรคเบื้องต่ำแสดงพิสดารเนะ่ยหมายถึงมรรคเบื้องสูงมรรคสองเบื้องสูงคืออนาขามรรคและหัตถมรรคแต่ถ้าหากว่าพระมหาสังขรักคิดบอกว่าแสดงมรรคสีน่นั่นแหละทั้งยอดและพิสดารอันนั้นเป็นความเห็นทีนี้อย่างของพวกเราก็ศึกษาทั้งสองในเอารู้ชัดก็แล้วกันนะ อาจจะต่อไปจะได้เข้าในเรื่องของต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของกุศล น, นะกุศลไปดูอัตถกถาเดี๋ยวก่อนจะดูอัตถกถาดูตรงนี้หน่อยดูหน้าที่ห้าอยก่อนกุศลแล้วก็รากเงาของกุศล น, นะเขาบอกกุศลคืออะไรเล่าคุณเห็บอกกุศลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากปาณาติบางดเว้นจากอาทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจางจากมุตสาวาจจากปิสุนาวาจาจากพรุศวาจาจากสัมผัาฬาปะอนนาพิจชาคือไม่ลิไม่เพ่งเล็งอยากได้อัพยาบาทความไม่ปองร้ายเขาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องหนึ่งนี่ละคุณเรียกว่ากุศลฉันถามว่ากุศลคืออะไรบอกนี่แหละคือกุศล และรากเงาของอกุศลอของกุศลเป็นอย่างไรเล่าคุณบอกรากเงาของกุศลก็คืออโลพาความไม่โลภอโทสาความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงนี่แหละคุณเรียกว่ารากเงาของกุศลคุณเมื่อใดแลอริยสาวกรู้อกุศลกับทั้งรากเงา ของอกุศลและรู้กุศลกับทั้งรากเง้าของอกุศลอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเธอจะละกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานอันนี้เป็นการแสดงมรรคทั้ง4ี่ได้เลยขยายแสดงมรรคทั้ง4นะรู้กุศลกับทั้งรากเง้าของกุศลอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเธอจะละกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในในสันดานคือราคะคือราคานุสัยเนี่ยถ้าถอนราคะนุสัยได้แล้วหมดแล้ว อรรถจำมักเนี่ยบรรเทากิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือปฏิคานุสัยปฏิฆะและปฏิคานุสัยถอนกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือทิฏฐิและมานะว่าเรามีอยู่ได้นี่เป็นมานานุสัยเนี่ยก็จะคําว่าเรานี่เป็นความไปเห็นว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่เป็นมานะละอวิชาคือความไม่รู้ได้ทุกอย่างยังวิชาวิชาคืออรหัจำมัรเนะ้ ปัญญาที่ในอร h a t h a ร a k ในะวิชาให้เกิดขึ้นเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันทีเดียวใครละทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันบอกพาละหันนะถึงจะจบกิจพรหมจรรย์ได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลคูณเนริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคลนได้มาสู่พระสัตธรรมนี้แล้วจะเปิดเป็นหน้า54าเอด พอไปดูในภาคของอัตถกถาที่ได้ขยายทั้งที่แล้วขยายในเรื่องของสัมมาทิฏฐิตามลําดับเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิมรักสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิและปัจเจวสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนั้นความเห็นตรงความเห็นถูกต้องนั้น เ, นเป็นไปตามลําดับดังได้ไดกล่าวทีนี้สัมมาทิฏฐินั้ น, นที่ท่านกล่าวไว้ ในที่นี้กล่าวไว้สองในยะคือโลกิยาสัมมาทิฏฐิและก็โลกุตระสัมมาทิฏฐิโลกิยะสัมมาทิฏฐิก็อยู่ในกลุ่มของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่ากรรมเนี่ย ม, มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมนั้นก็เป็นโลกิยะวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็เป็นโลกิยะชาณสัมมาทิฏฐิก็เป็นโลกิยาใช่ไหมแม้แต่ปัจเจเวสัมมาทิฏฐิยังเป็นโลกิยะเลย แต่ว่าที่เป็นโลกุตละสัมมาทิฏฐิก็คือมรสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิทีนี้ท่านว่าโดยบุคคลหนึ่งที่ได้กล่าวทีนี้ผู้ที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่ท่านกล่าวในที่นี้เป็นโลกุตระกุศลที่แน่นอนคือเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากกองทุกข์คือผู้มีความเห็นชอบเพราะเหตุนั้นน่ยท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลน แล้วก็มาสู่พระสัตธรรมนี้แล้วถามว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระกุศลเท่านั้นเป็นความเห็นที่ตรงตรงยังไงเพราะไปตามความตรงไม่ข้องแวะกับที่ที่สุดสองอย่างอะไรคือที่สุดสองอย่างสัตตาทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงนี่คือว่าที่สุดอุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่าขาดศูนนี่ถือว่าที่สุดหรือคําว่าที่สุดเนี่ยถ้าเราไปมองตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นวนทางนะอัตตากิรมะถานุโยก การประกอบตนเองให้ลาบากอันนี้ก็คือที่สุดเหมือนกันสุดตรงเหมือนกันหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการมาสุ ข, ขันธิการ น, นยิยโญกใช่ไหมอย่างนี้ก็คือที่สุดอเหมือนกันเป็นส่วนสุดที่แบบปฏิบัติไปแล้วพ้นทุกได้ไหมถ้ามีความเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยจะพ้นจากวตฏะได้ไหมเพราะจริงๆมันไม่ได้ขาดศู น, นย์ถ้าไปเห็นว่าเที่ยงอย่างเงี้ยจะพ้นจากวัตฏะพ้นจากกองทุกได้ไหมเพราะไม่ได้เพราะขันและวัฏฏะเนี่ยมันไม่เที่ยงมงบอกว่าเอ๊ะทําไม เห็นว่าขาศูนย์ก็ยังไม่ให้เอากลับมาเห็นว่าเที่ยงก็ยังไม่ให้ตุภัเจ้าบอกสุดตรงประเภทอะไรนะประเภทเลยทงกะล้าหลังอี้สกลุ่มเนี่ยนะปฏิปทาของคนเราเนี่ยบางคนก็นอนไปในโลภะมีข้อปฏิบัติที่มากไปด้วยโลภะอย่างหนึ่งหรือในกลุ่มที่มีข้อปฏิบัติที่มากไปด้วยโทสะในกลุ่มแรกตังนี้ถือว่าสุดตรงนะฮะเขาเรียกว่าข้องแวะกันที่สุดสองอย่างเราพ้นกันได้ยัง ยังคล้องแวะโทรศัพท์อยู่ไหมยังคล้องแวะโลภะ อ, อยู่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไ ม, ยงไม่ยังไม่พ้นจากที่สุดสองอย่างเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความเห็นที่ไม่ตรงเพราะไปตามไม่เพราะไปตามความไม่ตรงไปคล้องแวะอันที่สุดสองอย่างบางครั้งก็คล้องแวะเห็นว่าเที่ยงมังคล้องแวะเห็นว่าขาดศูนย์บ้างบางครั้งก็คล้องแวะโทรศัพท์ บางครั้งก็คล่องแวะโลภะบางครั้งก็คล้องแวะกามัสุ ข, ขาลิกานืโยกดีเหมือนกันนั่นคำว่าที่สุดสองอย่างคล้องแวะที่สุดสองอย่างนั้นก็ดังที่ได้กล่าวนะทีนี้คำว่าตรงตรงในที่นั้นนะก็ดังไอการคตทางกายเนี่ยเรียกว่าไม่ตรงกายคตก็คือปานาติบาตอธินนาทานเป็นต้ น, นวาจาคตก็คือพูดเท็จส่อเสียด ใจคดก็คือว่าโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายนีย่อย่างนั้นเขาเรียกว่ากายวาจาและใจนั้นคดถ้าตรงก็คือเป็นส่วนของกุศลนั่นเองทีนี้มีความมีความคดทางกายดังที่ได้กล่าวผู้ประกอบส่วนผู้ที่ไม่คดนั้นก็คือผู้ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเรื่อมใสไม่คลอนแคลนเรื่อมใส่ไม่คลอนแคลนเนี่ยถ้าเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันขึ้นไปนี่ คลอนแค้นไหมไม่คลอนแค้นแล้วคือความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในโลกุตละธรรมเคือมรซีผลซีและวนี่ผ่านหนึ่งอริยสาวกเมื่อคลายความยึดมั่นด้วยทิฏฐิทุกอย่างทิฏฐินี่เป็นความยึดยึดมั่นไหมทิฏฐินี่เป็นตัวยึดมั่นเนี่ยทิฏฐิทั้ง62บสประการนี่ยึดมั่นหมดแหละนั้นในขณะที่ทิฏฐิเกิดขึ้นน่ยมีความเห็นผิดเห็นผิดก็ยึดให้สังเกตดูที่ถ้าสักกยะทิฏฐิเกิดขึ้นก็ยึดมั่นว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราไปยึดมั่นไงไปเห็นผิดนะ่ะว่าเป็นของของเราเป็นอัตตาของเราเนะี่ยเราจะต้องบังคับได้เนี่ยเป็นทิฏฐิเป็นอย่างนั้นบางทีการยึดมั่นเนี่ยไม่ใช่ยึดมัน่นเฉพาะแต่ทิฏฐิเท่านั้นโลภะก็ยึดด้วยเพราะโลภะเป็นอุปาทานไหมเป็นเมื่อเป็นก็เลยต้องยึดด้วยทิฏฐิเป็นอุปาทานไหมมาน่าแหละอุป า, าทานลงธรรมเท่าไหร่ตัณหาแล้วก็ทิฏฐิอุป า, าทานลงธรรมสอง ทีนี้อริยาสาวกคลายความยึดมั่นด้วยทิฏฐิทุกอย่างลากิเลส ท, ทั้งสิ้นได้กิเลส ท, ทั้งหมดมีเท่าไหร่10ใช่ไหมโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิถีนะอหิริกะอโนตตะปะแล้วก็อุทะจะหนึ่กิเลสสิลากิเลส ท, ทั้งสิ้นได้ออกไปจากสงสารคือชาติออกไปจากสงสารในที่นั้นคือวัตตาสงสารสงสารเนี่ยนะออกไปจากอะไรออกไปจากกรรมวัฏกิเลสวัฏ วิปากวตฏนะี่ที่จริงก็คือกิเล ส, สวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏนหนึ่งไร่ถูกต้องไลอย่างไรคือออกไปจากวัฏตะออกไปจากสังสาระเหล่านี้เนะี่ยที่จริงบางทีเขาเรียกสังสาระหลายอย่างนะเฮธิมาสังสาระสังสาระในฝ่ายเบื้องต่ําในกลุ่มของอบัยภูมิทั้งหลายเนี่ยทําไงเราจะออกได้ปัจจุบันเรายังออกไม่ได้เนี่ยดูเหมือนพ้นไหมคล้ายๆว่าโผงออมาหายใจหน่อยแต่ยังออกไม่ได้นะ ใช่เรามีศิทธ์โอกาสที่จะน้อมกับไปใหม่เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรากายก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์นรกก็ได้สรุปแล้วก็คือเรายังไม่ปิดประตูสังสาระสี่ภูมิเนี่ยเรายังไม่ปิดประตูมัชชิมะ ส, สะสังสาระสังสาระในส่วนของถ้ำกลางเนี่ยในส่วนของกาบาภูมิเนี่ยมนุษย์เออสวรรค์อี่6ชั้นเนี่ยนี่เราก็ยังไม่พ้นเนใช่ไหมถ้าอย่างตรงนี้ก็คงอกว่าโอย ค, คนชั่วหายใจคล่องหน่อยถ้าเป็นมนุษย์หรือเทวดาใช่ไหมแต่คร่องก็ตายนะ จะปวดนีถ้าอุปริมาสังสาระคือสังสาระที่เป็นไปในส่วนเบื้องสูงกลุ่มของรูปภูมิรูปภูมิเนี่ยสูงแลกลุ่มพวกนี้เนีไปด้วยอํานาจของฌานสมาบัติเออได้อํานาจของฌานสามารถไปปฏิสนธิหรือไปเกิดด้วยนั้ น, นไม่พ้นอีกฉะนั้นสังสาระทั้งสามเนี่ยทั้งเบื้องต่ําเบื้องกลางแล้วก็เบื้องสูงเรายังไม่พ้นจากสังสาระทั้งหมดเลยเนยีคือชาติคือการที่จะต้องไปเกิด ตัวอกาศขึ้นสูงน้อยยิงนนยไปไหวไหมเนี่ยกำลังส่งขนาดนี้พอจะไปไหวไหแค่จะฮึดทําฌานตั้งหน่อยก็บอกอ็ไม่ไหวถามอะไรเกียดค้านมันท้อเนี่ยแค่จะทําสมาธิสักเล็กน้อยนีย่ไม่ท้อเลยท้อต่ออะไรท้อต่อบอกว่าพอกามะคุณเข้ามาเกี่ยวข้องมาพัวพันทางด้านจิตใจมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่นั้นเลยยอมแพ้ทุกครั้งถ้าหากไปจาก สงสารคือชาติก็จะเสร็จสิ้นการปฏิบัติปฏิบัติในอะไรปฏิบัติในอธิสีนอธิจิตและอธิปัญญาคือไม่ต้องไปปฏิบัติอีกแล้วไม่ต้องไปเจริญสีสมาธิปัญญาที่จะทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเพราะสีสมาธิปัญญามีกําลังมากเท่าไรแปลว่ากิเลสขาดมากน้อยดูตรงนั้นเป็นประมาณใช่ไหมสีนเนี่ยละกิเลสอย่างหยาบใช่ไหมใช่สมาธิกิเลสอย่างกลางก็ว่างเ้ยแล้วก็ปัญญาในอรหัตธรรมก็ละอนุสัยกิเลสเงี้ยเป็นต้น แต่ที่สุดจริงๆคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละต้องทำกิจละทั้งบทดตวงน้นสรุปก็คือว่าดูกันตรงนั้นเป็นประมาณใช่ไดูกันตรงว่าอาธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยถ้ายังไม่บริบูรณ์ก็จะต้องปฏิบัติอยู่เรือ่อยไปแต่อย่างกลุ่มที่ไม่ค่อยเข้าใจการศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็บอกว่า เวลานี้พักไม่ต้องปฏิบัติเวลานี้ถึงปฏิบัติเนะี่ยกลุ่มเราเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติก็คือไปพักได้ยังไงถ้าศีลไม่เกิดบาปเกิดศีลเนี่ยถ้าไม่เกิดไม่เข้าสู่กระแสจิตเมื่อไหร่นะบาปเกิดทันทีถ้าบาปเกิดไม่มีศีลดูแค่ตรงนั้นแหะศีลน่ยสมาทานเนะ่ยคือความตั้งใจนะสมาทานบ่อยๆเป็นเรื่องที่ดี วันหนึ่งตั้งใจสมาทานเป็นล้า น, านครั้งสมาทานไปเถอะนึกได้เมื่อไหร่นึกเดยว่าจิตน้อมที่จะมีศีลใช่ไหมนั่นคือสมาทานคือการถือเอาแล้วคือการเสพการคุ้นการทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆบางคนบอกไม่ลองคิดโดยวันพระทีวันพระพทีขนาดวันพระทีนะ่สมาทานเสร็จแล้วยัยงไม่ทันลกเลยหลุดไปซะแล้วอ่ะใช่ไหมใช่นะดูตรงนั้นแต่ว่า เรายังหยุดปฏิบัติไม่ได้ยังไม่เสร็จสิ้นการปฏิบัติแต่ถ้าหากไปจากสงสารทั้งชาติคือการเกิดในทั้งเหติมะสังสาระมชิมะสังสาระอุปริมาสังสาระได้แล้วเนี่ยเราก็จะพ้นจากชาติคือการเกิดเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติและไม่ต้องปฏิบัติเรียกว่าผู้ได้ได้ไรได้พระสัตธรรม พระสัตธรรมคือได้พระนิพพานแล้วอย่างลงสู่อมตะแล้วไม่ต้องไปตายอีกแล้วเขาเรียกว่ามั่นคงแน่นอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศด้วยอริยมรรคนิพพานนีประกาศได้ด้วยอะไรการที่จะสามารถสัมผัสพระนิพพานจริงๆต้องสัมผัสได้ด้วยอริยมรรคอย่างอื่นสัมผัสก็เป็นโลกิยะเข้าไปสัมผัสใช่ไหมถ้าจะให้โลกุตระต่อโลกุตตระสัมผัสกันก็คือได้อริยมรรคถ้าได้ อ, ดอริยมรรคกลับมาก็ชื่นใจแล้ว เนี่ยถ้าหากลองใครนะปฏิบัติแล้วสามารถกําหนดรอบรู้ในอริยสัจกำหนดรอบรู้ขันห้าได้ตามความเป็นจริงมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่ อ, อไหร่เนี่ยกลับไปที่ไหนจะผ่งงงงองใสตลอดเลยชื่นใจจริงๆเลยนะผ่องใสมากๆเลยไปที่ไหนก็ เ, เป็นคนชนิดที่ไม่ต้องไปหวาดระแวงกรรมอีกแล้วผลง้องกรรมอีกแล้วไม่ต้องไปหวาดระแวงเรื่องพบไม่ต้องกลัวตายหรอกว่างั้นเลยเพอ ร, รู้เนี่ยวัคติของตนเองเป็นอย่างไร แต่ถ้าในตอนนี้หวาดเสียวกันตลอดเลยนี่ยเนี่ยศึกษาว่าทำไปก็ยังนึกหวาดเสียวไปว่ารอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดอยู่นนเนี่ยเนี่ยไม่ต้องทูดถึงกลุ่มที่ไม่ต้องมาตรึกมาพิจารณาหรอกกลุ่มนั้นก็ยกไปไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายแล้วที่เขารอดได้ว่าบาังเอิญเท่านั้นเองในองเล็บ111่งร้อยนะย้ำของเดิมคําว่าย่โตโขนี้เป็นการกําหนดเวลามีอธิบายในการใดเนี่ยตรงนั้นก็บอกแก้ไปแล้วอคุสรันจะ ประชานาติรู้ชัดอกุศลกล่าวคืออกุศลกรรมบท10นะคือเมื่อแทงตลอดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ด้วยสา ม, มารถแห่งกิจยานก็คือกําหนดรู้ได้ว่าอากุศลเป็นทุกขสัตว์ปานาติบาทเป็นต้นเน่ยเป็นทุกข์สัตว์นะนะสามารถไปกําหนดรู้ได้ด้วยสา ม, มารถแห่งกิจยานชื่อว่ารู้ชัดอกุศลเพราะความรู้ชัดที่มีนิโรธเป็นอารมณ์ถามว่าการที่จะรู้ชัดอกุศลได้ในขณะนั้นถ้ามีมรรคจิตเกิดขึ้น ในขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นเนี่ยทำจิตแล้วรู้ชัดอกุศลไหแล้วก็รู้ชัดอกุศลลมูลด้วยไปข้อที่บอกว่าอากุสลมูลันจักระชานาติเนี่ยรู้ชัดรากเง้าของอกุศลรากเง้าของอกุศลก็คือโลภะโทสะและก็โมหะเนี่ยนะรู้ชัดรากเงาของปานาธิบาตรากเง้าของอาทินาทานรากเงาของกาเมสุมิจฉาจารรากเงาของ มุสาวาตเป็นต้นใช่ไหมรู้ชัดหมดเลยว่ารากเงาของเขานั่นคืออะไรเนี่ยพวกเราตอนนี้รู้ได้อย่างรากเงารู้รากเงาของเขาหรือยังยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะรากเงานี่ยเฉั้นการรู้ชัดรากเงาเขาของเขาเนี่ยนะอย่างนั้นเขาเรียกรู้สมุทัยคือรู้เหตุแทงตลอดนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยประการนั้นๆนั่นเองรู้ชัดรากเงาของอกุศลก็คือไปรู้สมุทัยไปรู้สมุทัยแท้ที่จริงน่ย พอไปรู้สมูทัยเป็นเหตุของทุกข์คืออกุศลกรรมาบดพอไปรู้จากนิโรธซึ่งเป็นผลของอะไรเป็นผลของมรรคสัตว์จริงๆอะถามว่านิโรธสามารถที่ไปทําให้แจ้งในนิโรธได้นั้นอะในขณะนั้นอะไรละทําให้แจ้งมรรคนั่นเองโดยสรุปแล้วเนี่ยท่านแสดงอริยสัจอริยสัจสี่คือทุกสมูทยัยนิโรธมรรคเพื่อให้ไปกำหนดรอบรู้ใน อกุศลกรรมบทสิบและรากเงาของอกุศลกรรมบท10และให้ไปกําหนดรู้กุศลกรรมบท10และรากเงาของกุศลกรรมบท10บเห็นไหให้ไปกําหนดด้วยความเป็นทุกข์สมูทัยนิโรธแล้วก็มรรคอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมูทัยคือเหตุของกุศลอกุศลอะไรเป็นนิโรธคือความที่จะดับกุศลและอกุศลได้แล้วก็อะไรเป็นมรรคข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของกุศลอกุศล ในทุกๆวาระต่อจากวาระนี้ไปก็เหมือนกับในวาระนี้ความทราบว่าการรู้ชัดวัตถุด้วยสามารถแห่งกิจยานนั่นเองกิจยานนี่เป็นกิจของใครกิจของอริยมรรคนั่นเองกิจยานยกิจในการกำหนดรู้เกี่ยวในเรื่องของคำว่าเอตาวตาปีความว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือแม้ด้วยเหตุรู้ชัดอกุศลเป็นต้นนี้พอลักษณะว่าสัมมาทิฏฐิ โคติเนี่ยนะความว่าเป็นผู้ประกอบด้วยโลกุตระสัมมาทิฏฐิมีประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วถามว่าถ้าจะไปมีความรู้ชัดที่เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐินั้นก็ต้องเป็นโลกุตระที่เป็นมครคสัมมาทิฏฐิเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกนั้นมีความเห็นตรงเห็นตรงเห็นยังไง ไม่คลองแวะที่สุดสองประการแล้วก็ตัดขาดความคดงอทุกอย่างอย่างนั้นเน่เขาเรียกเห็นตรงเพราะความคดความงอทางกายทางวาจาทางใจยอย่างนั้นเขาเรียกไม่ตรงแต่ถ้าไม่คดทางกายทางวาจาทางใจเขาเรียกว่าตรงอย่างนั้นแล้วเขาเรียกประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมสายไม่คอนแคน คือด้วยความเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในโลกุตละธรรมเก้าคือมรซี 4, ผล4และวกน 1, 1, นะิพานหนึ่งะอริยาสาวกเพื่อคลายความยึดมั่นในทิฏฐิทุกทุกอย่างทุกประการละกิเลสทั้งสิ้นได้ออกจากสงสารคือชาติเสร็จสิ้นการปฏิบัติท่านเรียกว่าผู้ได้พระสัตธรรมได้พระสัทธรรมคือได้พระนิพา น, นะนเนื้อเน่ยก็ไปขยายอย่างนี้ทุกๆบทไปทีนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้นั่นแหละภาษาริบุตรจบการแสดงแบบย่นย่อแล้วก็ การแสดงของท่านน่ยจะถึงจะย่นย่อแต่ก็ควรทราบถึงการแทงตลอดด้วยมนสิ ก, การโดยชอบถามว่าเมื่อจะย่นย่อเนี่ยจะต้องมนสิการพิจารณาโดยโดยความรู้ชัดโดยชอบไหมบกชายเพราะการแสดงแบบย่นย่อนั้นน่ยก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดได้และก็ด้วยสามารถแห่งการแสดงพิสดารอยู่นั่นเองใช่ไหมเมื่อแสดงแบบย่อแล้วท่านก็ต้องมาขยายด้วยความเป็นพิสดานอยู่นั่นเองต้องให้ทราบวัตถุประสงค์ในการแสดง อันนี้เป็นวาระแรกส่วนในทุติยวาระถึงการแสดงจะย่นย่อก็ควรจะทราบถึงการแทงตลอดด้วยมนสิยการโดยชอบอย่างพิศดารได้เป็นอย่างดีแล้วโดยพิศดารอยู่นั่นเองทุติยวาระก็คือวาระที่ว่าด้วยอาหารเป็นต้นไปใช่ไหมปฐมวาระก็คือวาระในเรื่องของปฐกะมั่วาระเนี่ยกัมมะปฐมวาระเนี่ยวาระที่พูดถึงในเรื่องของกุศลอกุศลกรรมบทเนี่ยแล้วก็รากเง้าของกุศลอกุศลอันนี้คือปฐมวาระ ถ้าทุติว่าวาระก็คืออะไรวาระนะอาหารวาระวาระที่ว่าด้วยอาหารแต่นี้ยังไม่ได้ค้นไปนะนี่ท่านขยายไปว่าถ้าเราจะไปศึกษาในวาระที่สองเป็นต้นไปนั้นก็นำการทั้งย่นย่อทั้งพิสดาร น, นันแหละไปขยายทุกบทไปแล้วก็ต้องจบลงด้วยอริยสัจสีต้องสรุปลงด้วยอริยสัจสี่ให้ได้ฉะนั้นการศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้ามองเห็นตาแล้วกําหนดลงอริยสัจสีไม่ได้แสดงว่าท่านผู้นั้นยังไม่เข้าใจพระธรรมถ้าได้ยินเสียงแล้วกาหนดลงอริยสัจไม่ได้ท่านผู้นั้นกําหนดพระธรรมไม่ถูกโอกาสบนทุกข์ยากเพราะแค่จะกําหนดให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนเสียงเนี่ยเสียงเป็นทุกขสัจเนี่ยและเหตุของเสียงไงใช่ไหมเป็นสมุทยัยสัจจะอถ้ดับตัวทุกข์ดับทั้งเหตุของเสียงได้เนี่ยอันนี้เป็นนิโรธ ไอ้ข้อปฏิบัติที่จะไปดับดับอะไรพี่จะมีนิพานเวณรม์เพื่อที่จะไปดับสิ่งเหล่านั้นได้อันนั้นเป็นมรรคสัจ ก, การกําหนดลงอริยสัจได้ในทุกๆเรื่องอย่างนั้นเขาเรียกว่าเริ่มเข้ามาสู่คันลองของการศึกษาระธรรมที่ถูกต้องแล้ว ย, ยมกนเพศเริ่มกําหนดได้เป็นบ้างแล้วใช่ไหมยังไงก็รูบๆคำๆไว้ก่อนทุกเรื่องต้องกําหนดลงอริยสัจ4ี่เสมอไปภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกันว่าบรรดาการแสดงทั้งสองอย่างนั้น แสดง2อย่างคือแสดงแบบย่นย่อกับแสดงแบบพิสดาร น, นั่นน่ะท่านภาษาริบุตรได้กล่าวถึงมารคเบื้องต่ําไว้ทั้งสองอย่างด้วยการแสดงพิสดารท่านภาษาริบุตรแสดงในมารคเบื้องสงูงไหม ท, ที่สรุปแต่ทีแรกมาบอกนี่ตรงเนี้ยนั่นคือในแรกคือเพราะเถล่ท่านมีความเห็นเงินบอกว่าถ้าแสดงแบบย่นยออ่อนั้นคือกล่าวถึงโสดาปฏิมารคและสากาธาคาริมารคคือรู้ชัดระดับนั้นแต่ถ้าแสดงพิสดารก็คือระดับ อนนาคามีมาร์กและอัหัติมาร์กคนด้วยในที่สุดแห่งการแสดงอย่างพิสดารพิกษุทั้งหลายเล่งหินคําเมียที่ว่าพละราคานุสัยได้ประการทั้งปวงแต่พระเถระได้กล่าวว่ามาร์กทั้งสี่ได้กล่าวไว้แล้วด้วยเป็นหมวดแห่งการแสดงอย่างย่อก็มีด้วยการแสดงแบบพิสดารก็มีคือถ้าสรุปก็คือว่าไม่ว่าย่อรหรือพิสดารเนี่ยแสดงมาร์กสี่หมดแล้วใช่ไหมเอามาร์กสี่คือทะลุหมดเลย อันหนึ่งการแสดงทั้งย่อทั้งพิสดาร น, นี้ใดเป็นการแสดงที่ข้าพเจ้าได้ทําการวิจารณ์ได้ทําการวิจารณ์ไว้โดยละเอียดจแจ่มแจ้งแล้วในที่นี้การแสดงนั้นถึงไปตามในที่ได้กล่าวไว้แล้วในทุกๆุกวาระเทินเพราะว่าต่อไปนี้ไปข้าพเจ้าจะทําเพียงขยายเฉพาะบทที่ยากที่ยังไม่ได้เท่งนั้นที่จะอธิบายคือต่อไปในะท่านบอกว่าถ้าตรงไหนที่ดูแล้วเนี่ยที่ท่านขยายแบบนี้ไว้แล้วเนี่ยนะ ที่เห็นว่าไม่ยากขอให้ทุกท่านที่ศึกษาสูตรนี้ให้ขยายด้วยนะและขยายบ่อยๆทบทวนบ่อยๆเพราะจะได้เป็นปัจจัยการแทงตลอดในอริยสั์และก็เพื่อประโยชน์ของท่านที่ขยายเองนะไม่ใช่ขยายแล้วมันเหนื่อยไม่ได้ขยายแล้วได้อะไรได้ความรอบรู้ยิ่งๆขึ้นไปจะมีแค่สักกี่คนนะไปขยายนะ ก็ได้แต่วหวังไว้เดี๋ยวต่อไปทําความเข้าใจที่ว่าทีนี้พึงทราบวินิจัยในการในพิสดารในปฐมวาระนี่นะคือวาระแรกเนี่ยกล่าวไว้ตรงนี้เองเห็นไหมปฐมวาระเห็นแล้วใช่ไหมในจํานวนวาระเหล่านั้นกอดในคําทั้งหลายมีอาธิว่าปานาติบาตนั่นแหละคูณเป็นอกุศลอกุศลพึงทราบได้จากว่าเป็นไปโดยความไม่ฉลาดอันนี้ก็แปลแล้วจริงๆเพื่อจะไปตีความหมายคําว่า อ, า ก, อากุศลแปลว่าอะไร อกุศลเนี่ยแปลไปได้หลายเนยยะใช่ไหมแปลว่าไม่ฉลาดหรือเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลก็ได้ถ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลเนี่ยจะแปลว่าอะไรดีเพราะกุศลเนี่ยเขแปลว่าไม่มีโรคก็ได้ใช่ไหมฉลาดก็ได้ใช่ไหมหรือเป็นไม่มีให้คือไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขก็ได้ฉะนั้นอกุศลก็คือไม่ฉลาดแล้วก็เต็มไปได้วยโรค โรคคือราคา่าโรคคือโทสาโรคคือโมหะเป็นต้นน่ะไล่ไปเถอดในกลุ่มของ อ, อกุตรธรรมทั้งหลายเนี่ยเห็น ไ, ไหมเพราะว่าอากุศลธรรมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอกุศลหรือรากเงาของอกุศลน่ะรั้รนแต่เป็นความไม่ฉลาดถ้าในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นมีไหมที่อวิชชาจะไม่เกิดโลพา8ปดดวงโทซาสองโมหะ2มีบ้างมไหมที่จะไม่มีโมหะฉะนั้นโมหะปิดหมดเลยฉะนั้นคําว่าไม่ฉลาดน่ยจึงชัดอยู่ในคํานั้นอยู่แล้วคําว่าไม่ฉลาดนั้นจึงจึงมีความชัดเจนอยู่แล้ว เวลาเห็นรูปเห็นเสียงเห็น เ, เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นเลียมรสสัมผัสคิดนึกท ร, รมารมด้วยใจเนี่ยโมหะปิดทุกทุกอารมณ์นั้นความมืดตื้อความไม่ฉลาดจึงเกิดขึ้นในทุกทุ ก, ทกวาราที่บาปอากุศลธรรมเกิดขึ้น ฉะนั้นเวลาอกุศลเกิดขึ้นเราอย่าไปตะแบงว่าโอ้เนี่ยเราเข้าใจนะคือมันโง่แล้วต้องยอมรับว่าอันนี้ความโง่เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่เลือกด้วยนะกนหัวผมจีวรบอกไม่โง่ไม่ใช่ถ้าโมหะกถ้าหากว่าอกุศลเกิดขึ้นหมดเลยเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าบอกว่าโง่เนี่หลายคนฟังบอกโอ้ยไม่ค่อยสบายใจเพราะเราฉลาดนี่ที่จริงคําว่าโง่ในที่นั้นหมายความว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงของสภาพของอารมณ์ คือไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงของสภาพของอารมณ์เลยเพราะโมหะนี่เป็นเป็นเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาใช่ไหมเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมที่เป็นไปในส่วนของกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นปฏิปักษ์มันตรงกันข้ามแล้วโอ้โหเต็มไปด้วยโรคเลยนี่อีกอย่างก็คือว่าถ้าจะมองในบอกไม่ดีงามเลยก็ใช่ให้ผลเป็นความทุกข์ด้วยใช่ไหมมีอบายทุคติวินิบาตเป็นไปในเบื้องหน้าด้ยนะอกุศล ทั้งความไม่ฉลาดอากุศลนั้นพึงทราบโดยความเป็นธรรมตรงกันข้ามกับกุศลที่จะกล่าวข้างหน้าหรือโดยลักษณะพึงทราบว่าเป็นสิ่งที่มีโทษและมีวิบากเป็นทุกข์นี่ชัดเลยอกุศลธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลใช่ไหมและให้ผลเป็นความทุกข์ใช่ไหมมีอยู่ไหมมีโลภะให้ผลเป็นทุกข์ไหมปานนาติบาตกรรมเจตนาพระเจดจานงในการฆ่าจัดเป็นต้นให้ผลเป็นทุกข์ ใครจบอกว่าฆาสัตว์แล้วให้ผลเป็นสุขไม่ใช่ลักทรัพย์ให้ผลเป็นทุกข์ประพฤติผิดในกรรมนะให้ผลเป็นทุกข์พูดเท็จก็ให้ผลเป็นทุกข์มีทุกข์หมดแหละอกุศลกรรมบทสิบเนะ่ยเอามาร้อยดูพิจารณาดูตรวจสอบดูแล้วก็ดูผลของเขาไม่น่าชื่นใจเลยแต่ขนาดไม่น่าชื่นใจเนี่ยเผลอไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วแวต่ก็มาฟังว่าทำยุงอย่ากัดนะบวกถามตั้งไหมเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ยังเป็นของของเราอยู่ เป็นสิ่งที่เศร้าหมองนี้เป็นการขยายบททั่วไปในอกุศลวารากดตรงเนี้เวลาเราศึกษาในด้านของอกุศลอกุศลเนี่ยเนี่ยก็ให้ทําความเข้าใจให้ชัดเมื่อทําความเข้าใจอกุศลกรรมบทนี้ให้ชัดแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจในเรื่องของกรรมบทเพราะอากุศลนั้นมีอะไรปาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิจฉาจานนะการกระทามอกุศลที่เกิดทางวาจาเอ่ทางทางทางกายเนี่ยเป็นอย่างไง ถ้าทางวาจาคือวจีกรรมก็มีสอย่างมุสาวาตปิสุนาวาจาพุทธสาวาจาสัมภาราปะอกุศลที่เกิดทางใจก็คือว่ามโนกรรมนั่นเองก็คืออภิชาพยาบาทมิฉาทิฏฐิรวมเบ็ดเสร็จเขาเรียกว่าอะไรอกุศลกรรมบทสิทยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอกุศลทีนี้ต่อไปท่านขยายโดยเฉพาะไม่ทั่วไปพึงทราบวินิจฉัยการยังสัตว์ยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปชื่อว่าปาณาติบาต นี่ตอนนี้ไปศึกษาปานาติบาตเลยคำว่าปานะในคำว่าปานาติปาโตเนี่ยนะโดยโวหารก็ได้แก่สัตว์โดยประมาจารได้แก่ชีวิตติส si ีเออคําว่าปานาติบาตเนี่ยมีอยู่สองบทนะปานะกับอติปาตะปานะเขากล่าวโดยโวหารแล้วก็ได้แก่สัตว์ทั้งหลายคําว่าปานะปานะในที่นั้นโดยโวหารคืออะไรสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเมื่อว่าโดยประมาจาแล้วก็ได้แก่อะไรชีวิตตรูปและก็ชีวิตติน si สีเจตสิก คำว่าอติอติปาตานั้นแปลโดยเนื้อความได้สองอย่างแปลว่าเร็วอย่างหนึ่งนะหรือแปลว่าก้าวร่วงความเบียดเบียนอย่างหนึ่งปาตาก็แปลว่าให้ตกไปปาณาติบาศก็แปลว่าอะไรให้สัตว์หรือให้ชีวิตนั้นตกไปโดยเร็วนั้นคำว่าปาณาติบาศเนี่ยให้ชีวิตนั้นตกไปโดยเร็วหรืออีกในหนึ่งก็แปลว่าไง การกา้าร่วงความเบียดเบียนสัตว์นั้นให้ตกลงไปให้สังเกตดูนะว่าไอตัวชีวิตตะลูปกับชีวิตติ้นซีเจดสิกเนี่ยนาเนี่ยนะชีวิตตะลูปกับชีวิตตนามตัวนี้แหละที่ตกไปตกไปโดยเร็วนะแต่ถามว่าถ้าหากว่าจะฆ่าเดี๋ยวไปดูการวิ่งไกันอีกทีนะว่าเป็นยังไทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมชาติ ที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์นั้นนะชื่อว่าปานาติบาตไอธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์นั้นได้แก่อะไรวัฏกาตเจตนาคือความจงใจเจตนาในการฆ่าส่วนเจตนาที่ในลักษณะของการที่จะฆ่าของผู้สําคัญในสัตว์ที่มีชีวิตว่าเป็นสัตว์มีชีวิตอันนี้เป็นสมุทฐานแห่งความพยายามที่จะเข้าไปตัดชีวิตติณสีเห็นไหมดูต่อไปนะที่เป็นไปในทางกายทวารหรือวจีทวาร กายทวารคือท้ามือทำเองใช่ม้5 50, 5 45, รารยห5าส้าหิบาแกปานาติบาถามว่าเวลาจะฆ่าเนี่ยใช้กี่ทางทางกายได้ไหมทางวาจาด้ใช่ทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปนานาติบาสเกี่ยวในเรื่องของการวินิจฉัยในการฆ่าสัตว์เนี่ยนะความตั้งใจฆ่าเป็นประการสำคัญทีนี้ผู้ที่ถูกฆ่านั้นเมื่อว่าโดยธรรมมาทิฐานแล้วก็ได้แก่อะไร ได้แก่ชีวิตดินซีนั่นเองตัวธรรมะจริงๆนะ่ะคือที่จะฆ่านะ่ะคือต้องการทําตัวรูปประชีวิตนามาชีวิตนั้นให้ตกกล่วงไปใช่ไหมต้องการอย่างนั้นไม่มีใครที่คิดว่าฆ่าแค่เนิ้วขาดอย่างเดียวใช่ไหมต้องการทําชีวิตทั้งสองอย่างคือชีวิตต่รูปและชีวิตต่นามใช่ไหมให้ตกล่วงลงไปเป็นผู้ที่ถูกฆ่าชีวิตดินซีทั้งสองอย่างก็คือรูปชีวิตดินซีอย่างหนึ่งกับนามชีวิตดินซีอย่างหนึ่งทั้ ถ้าถามในขณะที่เราไปฆ่าตัวไหนนะเป็นตัวขาดก็บอกทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละรูปชีวิตอินทรีย์ถูกทําลายแล้วนามชีวิตอินทรีย์ที่นอกจากนี้ก็ได้ชื่อว่าถูกทําลายไปด้วยเพราะมีความเกี่ยวพันกันถ้าถามบอกว่าเวลาเราจะไปฆ่าเนี่ยไอ้ตัวเจตสิกนั้นเราไปฆ่าได้ไหมแต่เมื่อทําลายรูปธรรมแล้วนามธรรมาก็ขาดไปด้วยตัดคอขาดแล้วเนี่ยจิตยังจะอาศัยอยู่ได้ไหม ยิ่น่าจะเดินไปได้บ้างบอกว่าถ้าคอขาดแล้วไปไม่ไหวแล้วนี่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกการปฏิบัตเเขาต้องบอกบอกว่ารูปชีวิตตินซีเนี่ยมีอยู่3มอย่างอดีตรูปชีวิตตินทรียปัจจุบันรูปชีวิตตินรียและอนาคตรูปชีวิตตินทรีย์ในการทําลายรูปชีวิตตินรีย์นั้นได้แก่ทําลายปัจจุบันรูปชีวิตตินรียเท่านั้นและปัจจุบันรูปชีวิตตินรีย์นั้นมี3ในขณะปัจจุบันสันตติ ปัจจุบันอัฏฐานะปัจจุบันก็คือทำลายทุกๆขณะทั้งอุป า, าทถีติและก็พังค่าของรูปชีวิตติณรียนั่นแหละนี่ว่าโดยในย่ารายละเอียดไปนะีทีนี้ไปแสดงเกี่ยวในเรื่องของโทษมากโทษน้อยดีกว่าตรง น, นี้จะไม่ขยายมากนะชาวาปานาธิบาเถึงทราบว่ามีโทษน้อยโดยสัตว์ที่มีชีวิตตัวเล็กคือสัตว์ตัวเล็กเนี่ยก็ถือว่ามีโทษน้อยในจํานวนสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นที่ปราศจากคุณ เพิ่งทราบว่ามีโทษมากเพราะสัตว์นั้นมีชีวิตมีตัวใหญ่ดูกันบอกว่าเอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่ถามว่าเพราะเหตุอะไรละ่ะเพราะมีวิการมากมีประโยคะใหญ่มีความเพียรพยายามมากมีวิธีการมาก